พะระค wortho อรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะระค wortho อรหะโตสัมมาสัมพุทธสะันะโมตัสสะพะระค wortho อรหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอท่านสาธุชนจงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนา